บุ๊กทูเก้นาดประโยคคาสั่งสองอัมรีโดโกนวดสุราทัทร์เบตาโรชไปอาบน้ำโคดัร์เบชุย หวีผมหมู ی ی ่หอยอัตร์ชอ ن เนเบซังโทมานะเทเลโฟนคนชัวโมเทเลโฟนคนิดเริ่มได้แล้วชรูคนชัวโมชรูคนิดหยุดเถอะบสคนชัวโมบาสคนิดช่างมัน بس کن. شما بس کنید. พูดมันออกมา بگو ش م ا بگویید ซื้อมันมา ب خ ر า ش ิเดชชั่ม้อย่าหลอกลวงเด็ดขาด هرگز بدون ص ื้องหน้อย่าสนนะ هرگز گستاخ نباش อย่าหยาบคายนะฮิตช์บัคต์บีอาดบนบอชจริงใจเสมอนะแฮม ش เชรอสกูบอชใจดีเสมอนะแฮมิเเมฮราบอบอชสุขภาพเสมอนะแฮมิเชมูอาดับบอชกลับบ้านดีๆนะครับ เป س ل ا م ขภาพเป็นขวานเบรซีดดูแลตัวเองดีๆนะครับครูมัวร์เจไปขอดทานบ้าชีมาเยี่ยมเราอีกนะครับเป็นจู ب จิบบ้สเปมุลากามบยอีกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e